เพราะพุทธภะธรรมมัพละสังฆภ ะ, ะมีสําคัญมากเป็นกําลังคือกําลังของพระพุทธเจ้ากําลังของพระธรรมกําลังของพระสงฆ์ย่อมเยี่ยมนาศในทางที่ดีช่วยพยุงจิตใจของเราให้หนักแน่นในความภาคเพียรและประโยุนพยายามทุกด้านเช่นเดียวกับอิเลศ มีกำลังหนุนจิตใจให้แสดงออกในแง่ต่างๆไม่มีประมาณฉะนั้นแหละด้วยเหตุนี้เมื่อกิตมีความห่างเหินต่อธรรมเลยจึงครอบใกล้คิดติดพันและหนุนจิตให้ไปทางของตัวอย่างไม่ลดละและไม่มีคำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลัง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 มองดูแล้วจะถือว่าจิตหรือถือว่าธรรมชาตินี้เป็นจิตจิตเป็นธรรมชาตินี้กระจายออกมาทางทตาทางขันว่าเป็นตัวของตัวล้วนๆไม่มีสงสัยอะไรเลยถึงขนาดนั้นแหละาการกละลิกพริบแพงออกไปในแง่ใดจึงแสดงว่าเป็นตัวของตัวก ร, ริกปี่แพง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 คือมีตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทางานของตัวอยู่ตลอดเวลาเว็นต่พาอหลักสนิทเท่านั้นจะพักตัวนี่เป็นหลักธรรมชาติแต่เราให้ทางศัพท์ศา ส, สนาให้ชื่อว่ากิเลสเครื่องเศองหมองหรือมืดดำแปลได้เท่านั้นแต่ยังไงก็ตามให้เป็นทราบว่า น, นี่คือตัวสำคัญที่พาสัตวให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 นเป็นเหตุให้ศาสาดาพระศาสาดาของเราทรงทนอยู่ไม่ได้เมื่อใดกดจะรู้แล้วพงงระองค์ท้าพัดพูดภาษาของเรา เ, าเร็เียวตะเกียกตะกายเต็มพระสติกำลังความสามารถเพื่อรือถอนสัตว์ที่จมอยู่ในปลับอันนี้ให้หลุดพ้นไปได้เป็นวักเป็นตอนตามขัน้นภูมิแห่งวาสนาของสัตว์แต่ละหลายหลายซีมเล็กสร้างสมอบรมามามากน้อยต่างกัน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 วันหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนสะทานหวันว่นไหวไปหมดหลังจากนั้นแล้วก็ทรงเห็นคุณค่ามากสุกจังของพระไถ่ที่เต็มไปด้วยอด้วยธรรมหรือธรรมกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันกลายเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเลิ่อเลอขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันได้เห็นแช่แล้วได้รู้ใช่แล้ ว, ไ ด, ลวได้ทรงเป็นเจ้าของใช่แล้ว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 อย่างเต็มก็ถไทยนับตั้งแต่วันจัดสู้มาจนกระทั่งวันประเดี๋งนี้ผ่านในวาระสุดท้ายยังประธานประชิมโอวาสแจกภิกษุสงฆ์ซึ่งกำลังเฝ <c oughs> ้าพระองค์อยู่เวลานั้นอย่างถึงใจเช่นเดียวกันว่าลูกกอนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารธรรมเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นม่ดับไปดิเจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นตามหลักตามหลักธรรมชาติของมันจงยังกุศลนีคือความไม่ประมาทให้ถึงให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าสังขารธรรมในขณะนั้นพระองค์ทรงหมายถึงสังขารธรร ม, มที่เป็นสังขารขันเกิดขึ้นกับจิต สำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อรื้อภพรื้อชาติจะเป็นผู้หนักแน่นแต่เป็นผู้ทํางานในเรื่องขันห่านนี้เป็นอย่างมากเขาไมีแต่พลาล้วนๆและแยกออกไปถึงสังขารธรรมทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์โดยตัวถึงแก่บรรดาพระทั้งหลายเขแยกไปถึงสังขารธรรมหรือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายในโลกอนี้หาความกีรังถาวรไม่ได้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 นี่ก็คือพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรง ส, รสอนสัตว์โลกมา ข, ขนาดนี้แหละความเป็นภัยของธรรมชาตินี้ที่มีต่อจิตใจของสัตว์โลกเราฟังที่ว่าการมาพบรูปประพบอารูปประพบแต่ละพบละพบนั้นมีสัตว์โลกบรรจุอยู่จำนวนมากเท่าไหร่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 ไม่มีคําว่าแบออกมาให้สัตโลกได้เห็นฝ่ามือนั้นบางเลยก ร, รมไม้อย่างมิตรปิดไว้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิน้นทั้งกายทั้งใจไม่ให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งที่กรำเราหยุดบีบเราอยู่เวลานี้เป็นมหาภัยเป็นมหันตตุกมหันตโทพระองค์ทรงทราบหมดเพราะพระองค์เคยเป็นมาอย่างนี้แล้ว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 ให้ท่านทั้งหลายจํำมาไว้โลกไม่ได้เห็นโทษอันนี้เลยแล้วแตกแขนงออกไปก็เป็นความโลภโลภจนบรรดายก็มไม่มีวันอิ่มพอโลกที่มีความเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะความโลภมากความโลภไม่มีเมืองพอเรื่องความสมบัติเงินทองเข้าของอาหารปัจจัยที่พอเป็นพอไปนั้นไม่ใกล้ขาดแคลนอะไรนักพอที่จะยังมนุษย์ ทั้งหลายให้มีความสุขพอประมาณได้แต่ความโลภที่สําคัญว่าเป็นตัวขุนนี่สิมันทําลายความสุขของสัตว์โลกไม่ว่าชาติชั้นวันะไหนมันสามารถเข้าไปทําลายได้ทั้งนั้นโลกจึงหาความสุขไม่ได้เพราะอํานาจแห่งความโลภบีบบังคับแต่ก็หาได้ทราบไหมว่าความโลภนั่นคือตัวไผ่นอกจากเห็นว่าเป็นขุนด้วยอํานาจแห่งความกล่อมอย่างสนิทของมันเท่านั้น ความโกรธก็เหมือนกันคนอื่นโกรธเราดูได้เมื่อไหร่แต่เจ้าของโกรธพอใจโกรธในขณะที่จะของโกรธนั้นประหนึ่งว่าไม่มีใครที่จะเลิศเลอวิเศษวิโสยิ่งกว่าเจ้าของในสามแดนโลกธาตุนี้ก็มีเจ้าของคนเดียวผู้กําลังโกรธนั้นเท่านั้นเป็นผู้เลิศผู้เลอผู้วิเศษวิโสยิ่งกว่าผู้อื่นใดนั่น วิเลมันยกตัวมันถึงขนาดนั้นมันอยู่ในหัวใจใดในบุคคลผู้ใดเวลาใดสแสดงออกจะต้องเป็นความสำคัญอย่างนั้นจึงกล้าโกรธได้อย่างลงคอและฆ่ากันได้อย่างเลือดเย็นไม่มีสตุกษสทานบาปกรรมทั้งๆ ท, ที่การทำเช่นนั้นเป็นมหันต์ทุกข์เป็นบาปมหันต์ทีเดียวมันยังทำได้อย่างหน้าตาเฉย มันก่อบไหมลิกนาตราคาตันหาก็เหมือนกันเวลามันดิบมันดิ้นขึ้นมานี่ไม่อยู่ไม่ได้ไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นดิบเป็นดิ้นไปตามมันทางนั้นเห็นว่าว่าเป็นของดิบของดีทําให้เพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมจะเป็นจะตายลืมเท่าลืนแก่ลืมเพศลืมวัย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 เมื่อได้บำเพ็ญตนเข้าไปโดยมีหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดครูอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนเกิดความเชื่อความนสนใจเข้ามาขึ้นมาภายในจิตใจประกอบความภาคเพียรทั้งๆติจิตนี้ถูกหุ้มห่อปิดบังให้แสดงความฟุ้งเฟ้อเห่เหิมความคึกความคันองความฟุ้งซ่านนาคาญอยู่มากมายเพียงไรก็ตามเมื่อทำสอดแทรกเข้าไปก็เป็นเหมือนกับน้ําดับไฟ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 นี้ไม่เชื่อธรรมจะเชื่ออะไรย่อมจะเชื่อธรรมนี่ละเริ่มเริ่มที่จะแวกไหวเริ่มที่จะกว่าต้อนกันเริ่มที่จะต่อสู้กันให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นลาดับําดาไปด้วยการประพฤติปฏิบัติพอจิตเริ่มสงบขึ้นมาให้เห็นเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่า น, นั้นจะเป็นเชื่ออันสำคัญที่จะให้ฝังที่วจิฝังอู่ภายในจิตใจเป็นอ จ, จระสตาไม่ถอน แม้กิเลส จ, จะคึกขนองถึงขนาดไหนก็าตามจะพานโดดไปกี่ทวีกว็าตามแต่ความเชื่อความสงบเยือกเย็นความแปลกประหลาดอัจฉรย์ของตนในขณะที่จิตสงบนั้นจะไม่มีวันถอนนั่นแหลดึงกลับมาได้อํานาจแห่งธรรมประเภทนี้แหละดึงจิตที่ห่อเหินเดินฟ้าไปกี่ทวีปกี่โลกกี่สงสารกี่จักรวาลเอากลับย้อนเข้ามานี้จนได้ด้วยความภาคเพียร หลายครั้งหลายหนความสงบนี้ก็เพิ่มตัวขึ้นมาเรื่อยๆความสงบเพิ่มตัวขึ้นเท่าไรความละเอียดละออความแปลกประหลาดอัศจรรย์ก็ยิ่งเพิ่มกําลังขึ้นมายิ่งเป็นกําลังที่จะให้ต่อสู้กับฝ่ายที่ตนเห็นว่าเป็นนายเหนือหัวนั้นไปได้เดิมดับจนเห็นว่านั่นเป็นพิษเป็นภัยได้เป็นลําดับเช่นเดียวกันแล้วต่อสู้กันไปเรื่อยๆ ขั้นเพียงขั้ น, นสงบนี้พอเป็นรากเป็นฐานพอเป็นแนวทางพอเป็นต้นทุนพอยับยัง้งตั้งตัวได้ไม่ถึงกับล้มคลืนคืนพอตั้งตัวได้เอาพินิษฐ์พิพจารณาเครื่องมือแห่งธรรมมีหลายประเภทสมรมะธรรมได้เป็นผลอย่างนี้นิปัสนาธรรมได้แก่ปัญญาพินิษพิจารณา นับแต่ธาตุขันธ์ของเราร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนที่มีหนังหุ้มห่อไว้โดยรอบนี้คลี่คลายออกมาให้เห็นตามสภาพท้องหมันคนตายสาตัตตายเป็นเรื่องสัจธรรมทางนั้นปัญญาสอดแทรกไปไหนจะกระเทือนเข้ามาเตือนตนเองเสมอเขาตายกับเราตายก็เท่าเท่ากันเขาตาย กับเราตายก็เป็นจัตเจตธรรคือความพลาดพลากจากสัตว์แต่สังขารเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกันสัตว์ตายกับคนตายไม่มีอะไรผิดแปลกกันปัญญาจะอย่างทราบว่าเป็นไัยเหมือนกันหมดย้อนคข ม, มาหาตัวของเราเองตัวเราตายก็เป็นไัยก่อนที่จะตายได้รับความทุกข์ความลําบากไม่ใช่น้อยถึงขนาดที่ทนไม่ไหวจึงต้องได้ตายคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดี นี่เหล่านี้เป็นสัจธรรมพิจารณาขี่คลายให้เห็นอย่าเข้าใจว่าใครวิ่งเสพสูในโลกนี้ไม่มีใครเหนือมานำปีทุกขังนี้ไปได้ก่อนที่จะตายทุกขังทุกขังฟังสิบีบบังคับจนกระทั่งทนไม่ไหวตายไปได้ด้วยกันลูกสิงทุกอย่างที่เกลื่อนกลลเต็มอยู่ในโลกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนเหล่านั้นมันเพียงแต่ความเสกสรรตัญนยอของเจเดศที่หลอกสัตว์โลกให้อยู่ กับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของวิเศษวิโสอะไรแร่ธาตุต่างๆดินเป็นดินน้ําเป็นน้าลมเป็นลมไฟเป็นไฟวัตถุสิ๋มของเงินทองอะไรมันเป็นแร่ธาตุแต่ละอย่างละอย่างตามธรรมชาติของเขาอยู่โดยรับธรรมชาติของตนเท่านั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตใจที่ถูกเสกสรรบั้นยอนนี่ไปยึดไปถือไปําคัญมั่นหมายนั่นต่างหาว่าตนเป็นคนมั่งคนมีสิสุขเป็นคนดิบคนดีเป็นคนมีหน้ามีตา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 เพื่อนฝูงของเราที่อยู่ที่อาศัยมันพังลงไปด้วยกันเราไม่พังสิ่ ง, งเหล่านี้พังมันพร้อมที่จะพังอยู่ทั้งสิ่งเหล่านั้นกับตัวของเราเองไม่มีสิ่งใดที่กีรังถาวร น, นี่คือปัญญาสอดแทรกเข้าไปเพื่อจะเห็นตัวจริงเห็นกันสารอันเป็นที่วใจอันเป็นธรรมชาติที่ไม่พัดพลาดไม่จากกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พัดพลาดเป็นสิ่งที่จากกันโดยหลักธรรมชาติต้องมันแต่เป็นแต่เพียงว่าธรรมชาติ ที่มันเคยกล่อมนั่นมันกล่อมเอาไว้มันยึดเอาไว้มันตีตะปูให้แน่นติดเอาไว้กับหัวใจเรามันไม่ยอมให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพภาคสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกาฝากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่เป็นของจริงไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันใดเลยมันไม่ให้รู้มให้เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องแทรกเข้าไปตามหลักความจริงว่ามันพภาดๆแน่ มันแยกมันแยกกันไปแน่ๆมันเป็นคนละสัตว์ละส่วนแน่ๆ แ, แล้วรวมลงแล้วกับอนิจจังทุกขังหน้าตาครอบอยู่หมดในหลักในธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากกฎแห่งอ น, นิจจังทุกขังหน้าตานี้เลยจากนั้นก็พิจารณาเข้ามาถึงร่างกายของตัวเองนอกจากร่างกายของสัตว์ของบุคคลอื่นแล้วพิจารณาเข้ามาธรรมชาติอันนี้คืออะไร คือตัวตั้งขึ้นนี่กับตัวจะดับไปจะแตกสลายไปมันอยู่ในก้อนอันนี้เองไม่อยู่ในก้อนไหนก้อนกายอันนี้เมื่อหมดกําลังวังชามันแล้วมันจะต้องเป็นเช่นนั้นแม้แต่ไม่หมดกําลังมันยังแปลสภาพให้เห็นเยียวยารักษาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนี่ตั้งแต่บรรเทาธาตุขันนี้ทั้งนั้นเดินนานมันก็เหนื่อยนั่งนานก็เหนื่อยยืนนานก็เหนื่อยนอนนานก็เหนื่อยก็คาว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อทุกเพื่อทุกเพื่อทุกไปทั้งนั้นเพื่อความบีบคั้นบีบคั้น มันมีเป็นของที่เสีศษวิสูออะไรกองทุกทั้งทั้งกองนี้นท่านพิ้งว่าขันขันแปลว่ากองมันกองทุกทั้งนั้นมันไม่ใช่กองสุขขันอันนี้เอาความสุขอะไรมาให้เรามีแต่กดขี่บังคับเราเยียวยารักษาพอบรรเทาพอประทังให้อยู่ได้เท่านั้นเรายังไม่ทราบรอยู่หรือว่าสิ่งหนุนนี้มันเป็นภัยต่อเราปัญญาแทรกลงไปพิจนาลงไปให้เห็นตามความจริงของมันจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังที่ มันเต็มอยู่ในร่างกายนี้ตรงไหนที่น่ากำหนัดยนดีมันมีตรงไหนถ้ามันใช้อภิชาจับหัวใสใส่กองหูของคูดเท่านั้นจะเป็นอะไรไป น, นี่ปัญญาแทรกลงไปนี่เป็นขั้นหนึ่งขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คืออนิจจังทุกขังอนาาัตตามันแพรสภาพของมันอยู่ตลอดเวลารอบหมดนับแต่จิตออกมาเต็มไปหมดเพราะสมมติทั้งนั้น เรื่องกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ปรับเสียบเอาไว้มันจะไม่มีอันจจังตุกของอางนาตาเต็มไปหมดอย่างไรกําหนดเข้าไปให้ชาติเจ็ดด้วยปัญญาและด้วยความเห็นภัยจริงๆดังธรรมท่านประกาศสอนไว้ว่าไม่มีสองธรรมปุพุตเจ้าไม่มีสองแสดงไม่เป็นความจริงล้วนๆ น, น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นสวนทางกันกันกบ สิ่งจอมปลอมนั้นน้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ําหนดพิจะะารณาปัญญาอย่างทราบลงไปโดยลําดับตําดาทราบที่ตรงไหนย่อมจะถอดถอนออกมาทราบตรงไหนถอดถอนตัวความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดออกมาโดยลําดับตําดาจนสติปัญญามีความแก่กล่าสามารถถ้าพิจารณาร่างกายจะเป็น อ, อสุภาษุพังหรือก็ประจักษ์ใจเพราะมันมีอยู่แล้วอสุภาเต็มอยู่ในร่างกายนะเป็นแต่เพียงว่าใจไม่เห็นใจไม่รู้ ปัญญาไม่อย่างทราบ พ, พอปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงมันจะไปไหนถ้าไม่รู้ไม่เห็นเมื่อรู้เห็นอย่างชัดเจนแล้วจะยึดมัน่นถือมัน่นไว้ได้อย่างไรอุปทานจะหนานแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินนี้ก็เถอะยังไงก็ทนปัญญานี่ทําลายขาดสะพั่นลงไปไม่ได้เลยถอนตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวเป็นขั้นขั้นขึ้นไปรูปกายเป็นของสําคัญปริญญาให้ดี พิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ขอให้เป็นเรื่องของมารกษัตริย์พิจารณาเพื่อสติปัญญาเพื่อถอดเพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญมั่นหมายวันน่ารักน่ากำลัดยินดีชอบใจขอให้พิจารณาให้เป็นการถอดการถอนเถิดเพื่อถูกต้องทั้งภายนอกภายในฉันว่าอจัตตวาปะหิตพาพระบหิตทาวากาเยกายานวัตชีหาติข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามพิจารณาให้เป็นธรรมแล้วเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้น เทียบเทยงกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันรูป ก, กายภายนอกกับรูป ก, กายภายในความแตกสลายภายนอกกับความแตกสลายภายในกายของเราความอสุภาพ ภ, ภายนอกปฏิกูลโสโภคกภายนอกกับปฏิกูลโสโภคกภายในร่างกายของเรามีสัตว์มีส่วนเท่ากันเต็ม1้อยเปอร์เซนเหมือนกันหมดไม่เป็นที่น่าสงสัยขอให้ยังปัญญาลงไปแล้วจะถอนตัวเข้ามาเมื่อพิจารณาลงถึงขั้น หายสงสัยในเรื่องร่างกายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอสุภาอสุพันธ์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอนิจจังทุกขังนาตามันเต็มหัวใจแล้วมันต้องถอนเต็มหัวใจเช่นเดียวกันในขั้นนี้ <c oughs> นี่เป็นขั้นที่เราเห็นโทษมาแล้ว เ, <c oughs> เห็นเห็นโทษของร่างกายส่วนนี้แล้ว <c oughs> เป็นขั้นขั้นเข้าไปถอดถอนความปักเสียบฝากน้ําเอาไว้ภายในใจอย่างที่เลดทั้งหลายออกมาได้โดยลําดับลำดับ ความสุขจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความทุกข์จะเบาลงไปเบาลงไปภายในใจยิ่งในพิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลํำดับไม่ว่าอาการใดที่แสดงออกมาจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารดิน ญ, ญาณที่ออกมาออกมาจากไหนตามมันลงไปอันนี้จังทุกขังหน้าตาครอบหมดไม่ว่าจะเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนา ผูปเปรตขาเวทนาทางกายทางใจมันเป็นอนิจจังทุกขังนาาิาตานเหมือนกันหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรยึ ด, ดไว้ถือไว้แบกขามอาไว้ให้หนักตันเองได้รับความทุกข์ความลำบากเปล่าๆเานี่ยชั้นยาก็เหมือนกันสังขามวิญญาณแต่และอย่างละอย่างมันเป็นเพียงอาการของจิตที่แสดงออกมาเพียงย็บเย็บเ ย, บ ย, บ ย, บ ย, บยบ็เหมือนห้อยเท่านั้นไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้แล้วดับไปดับไปตามเขาไปปัญญามี ปัญญาไม่มีสิ้นสุดถ้ากิเลสไม่สุดเสียมอะไรปัญญาฝ่ายแจ้ฝ่ายถาดฝ่ายถอนนี้จะเพิ่มตัวขึ้นเรื่อยๆไว้นําไปใช้เบื้องต้นต้องเลยถูไถกันไปถูไถ่ายก็ถูไถตั้งแต่กิเลสถูไถเรามันถูไถยมามากต่อมากจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวแล้วแหละถ้ า, ากว่ามันเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังไม่มีอะไรติดตัวแล้วผ้ามนรียนเราีนี้เราจะถูไถด้วยสติปัญญาของเราเพื่อแก้กิเลส ทลาะปอกเปิดกิเลสถูถ่ยเนื้อหนังของกิเลสบ้างมันไม่ได้เหรือเอาลงไปให้กิเลสมันพังทลายทาตนาจิตใจอเริ่มพังไปตั้งแต่กายอืรู ป, ปขรรคพังลงไปเบทนาขรรคสัญญาขรรคพังลงไปด้วยความรู้เท่าและปล่อยวางสังขารขรรควิญญาณขรรคพังลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจิตนั่น นี่แหะอวิชชาฟังเสถียรเห็นเข้าไปอย่างนี้เองปัญญาปล่อยเข้าไปถอดถอนเข้าไปดังนี้อ่ะดังที่กล่าวนี้เมื่อถึงขั้นอวิชชาก็จะมีอะไรนี่แหละที่มันเห็นให้ชัดในภาพปฏิบัติจิตขาดจากสิงใดเห็นได้ชดัดรู้ได้ชดัดขาดว่าขาดตอนมันเป็นเกาะเป็นดอนเช่นเดียวกับเกาะในน้ําหรือเกาะในมหาสมุทรนั่นแหละ ยังเหลือเกาะเดียวคือเกาะ อ, อวิชชาปัญญาเราเคยทําลายอย่างไรเราเคยพิจารณาอย่างไรมาเรายังได้ผลมาเป็นลําดับลาํานาทําไมจะพิจารณากองอวิชชากองเชื่อแห่งพบเชื่อแห่งชาติที่ทําตัดทั้งนําตัดทั้งลายให้เกิดจากเกิดตายไม่หยุดไม่สิ้นไม่มีต้นไม่มีปลายนี่ทําไมเราจะทําลายไม่ได้อวิชชามันคืออะไร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 มันยังจะห่วงอวิชาอยู่ก็มันพังไปด้วยกันไม่ต้องเสียดายถึงขั้นปัรดาที่ไม่เสียดายอะไรแล้วนอกจากความจริงรวนๆแล้วเท่านั้นจะเป็นเช่นนั้นทางลงไปโดยลําดับกํงงาดับจนกระทั่งถึงอวิชาพังทลายลงไปด้วยอํานาจของปัญญาแล้วจิตชิบหายไหมนะแล้วเมื่อมาชิบหายกลายเป็นจิตที่บุรุษ ข, ขึ้นมาแล้วที่นี่ทราบชัดไหมว่าอันใดเป็นภพเป็นชาติปา้เกิดอะไรเป็นเชื่อแห่งภพกันชาติ มันจะมีอะไรก็มีแต่อวิชานี้เท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นจิงเป็นกา้านเป็นกระแหนงมันโดยลําดับลําดาความโรคความโกรธอะไรมันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเพราะเป็นจิงเป็นกา้านเป็นแม่ทับที่อวิชชาสั่งการลงไปเท่านั้นแล้วรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาสุดท้ายก็เรือวิชาเมื่อถูกพังทลายลงไปซะจนหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วอะไรที่นี่เป็นพบเป็นชาติที่จะให้สืบต่อในพบน้อยพบใหญ่เหมือนดังที่เคยเป็นมามีอะไร มันก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรเลยนะอ๋อมีอวิชานี่เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดจกเจ็บเจ็บตายแล้วมีหน้ำซ้ํายังปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์อีกตัวนี้มันปิดซะอีกมันสายให้ไปเกิดก็คืออวิชาคือกิเลสตัณฑเองพาสัตว์ให้เกิดให้ตายอยู่ราบนี้จะเป็นอะไรไปดินฟ้าอากาศแม่ธาตุทั้งหลายเขาไม่ได้มาบังคับจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้ก่อภพก่อชาติเกิดจกเจ็บเจ็บตายเหมือนกิเลสอวิชานี่เลยแล้วทําไมมันถึง ได้ปิดกัน้นเราเสีย ว, ว่าตายแล้วศูนย์ทั้งๆ ท, ท, ที่มันพาให้สัตว์เกิดอยู่ตลอดเวลาก็คือวิชาดวงตัวเดียวนี่เท่านั้นมันยังปิดไปอีกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ทั้งซิมันหยาบลุนขนาดไหนถ้าพูดถึงเออถ้นความกินป้อนหลวมมันถึงขนาดไหนเมื่อปัญญาได้เข้าถึงตัวแล้วมันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นทีเดียวเหมือนฟ้าดินถล่มทีเดียวเมื่อวิชาพังลงไปแล้วเหลือแต่กิจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วมีอะไรเข้ามาเกี่ยวมากวน ธาตุเป็นธาตุขันเป็นขันรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาสัญญาทั้งขันมี ญ, ญาตแต่และอย่างอย่า ง, างเป็นความจริงของตนของตนอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาบีบบังคับจิตใจเหมือนกิเลสอวิชชานี่เลยในสามแดนโลกฐานนี้จึงไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาบีบคั้นบังคับจิตใจนอกจากกิเลสอวิชชานี้เท่านั้นหรือนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ตากใจเรได้อย่างชัดเจนเห้นผลประจกักษ์ภายในจิตใจนี่นะที่แบบเอเฮีปาจิโกให้เข้ามาดูที่นี่สิ อ, อสันติโกจะเห็นเองรู้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วจะสงสัยที่ตรงไหนไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศ า, าสน า, าก็ตามเแอะเห็นอันนี้แล้วคือองค์ศาสดาแท้เห็นอันนี้แล้วคือธรรมแท้เห็นอันนี้แล้วคือสังฆาผู้ทรงไว้ถึงธรรมอันนี้แท้เพียงเท่านี้ไม่มีการสถานที่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมสังฆะโดยหลักธรรมชาติที่ตนรู้ตนเห็นตนทรงมาอยู่เวลานี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเองครับ ในหลักที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะถากดเห็นตรงนี้ทีู่้นั่งปฏิบัติจะเห็นตรงไหนไม่เห็นตรงนี้ทำพระพุทธเจ้าประกาศไว้สุดๆร้อนๆเพื่ออันนี้แท้ๆไม่ได้เพื่ออะไรเลยเห็นดยู่ต่อหน้าต่อตานี่อย่าไปคิดอย่าไปคาดเรื่องอดีตอ น, นาคตสถานที่นั่นที่นี่ว่าสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นสมัยนี้เป็นนี้สมัยนั้นมีมรรคผลนิพพานสมัยนี้นมรรคผลนิพพา น, ม น, มา น, พานไม่มีมีแต่ความหลอกลวงของกิเลสปิ้นป้อนที่สุดก็คือตัวกิเลสนั่นเองสวนทางกับความจริงแห่งธรรม ขอยทุกๆ ท, ท่านได้รู้สึกตัวอย่านอนจมอยู่ในปราคือกิเลสให้มันร้องเพลงกล่อมตลอดเวลาเพิ่มหลับลเพิ่มตื่นเคพิ่มนลับเคพื่มตื่นอยู่อย่างนั้นหลับที่ไหนตื่นที่ไหนมันก็ลงนนัไปพบไปชานแล้วลงในรกเอเวจีแล้วยังไม่รู้สึกตัวอยู่หรือแล้วตื่นจากกิเลสมันเป็นยังไงมันจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนเมื่อตื่นจากกิเลสยังชาคราธันวานล้วท่านผู้ตื่นจากกิเลสแล้วท่านไม่ไปที่ไหนไม่มีอะไรมาบังคับจิตใจของท่านได้เลย เป็นอิสระเต็มตัวนั่นผิดกันอย่างนี้จริงจรงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าบะอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรอยากว่าางนั้นให้มันถึงใจนะไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยผุดขึ้นมาได้พวกเรานี่ได้รับอุายคาสั่งสอนตามตำรับตาลาก็มีครูบาอาจารย์นังชี้บอกอย่างชัดเจนอยู่ทำไ ม, มจรงให้เครียดมันบีบหูบีบตาให้ําดำําขาวแล้วคว้าไป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 ตัดเข้ามาตัดเข้ามาได้ในวงปัจจุบันตัดขาดสะบั้นเห็นอยู่ภายใจิตใจขอยงตนแล้วไม่ต้องไปถามใครสันพิธีโกรประกาศกลางวานันภายในจิตใจนั้นเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนอยู่เธอแสนสมยัยนี่อาท่านว่านี้พ่านเที่ยงอะไรเที่ยงกว่าปราจจกอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาที่อย่างเดียวมันเขาเที่ยงฉะนั้นอืกิเลสประเภทใดๆมันก็เป็นอนนี้อยู่ใกฎสมมุติคื อ, อนจจังทุกขังหน้าตาดีใดก็ตาม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 อย่าคาดการอย่าคาดสมัยคาด เ, เวลาเวลาอย่าคาดอำนาจวัสนาเจ้าของว่ามีมากมีน้อยทำอย่างไรถึงจะเป็นไปเพื่ออาจเพื่อทําเป็นไปเพื่อความถูกต้องดียงามให้พยายามตั้งสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงจุดนั้นจุดนั้ น, จ, น, นจุดนั้นแล้วเป็นจุดที่ให้ถึงจุดหมายปลายทางเปนความคาดน้่นคาดนี้เป็นความหล่อของยิ่งเลือกสัรหาเพราะต่งางต่างต่างต่าง เลยหลงหลุมหลงแรงไปคว้าแต่ลมแต่แรงไม่ได้ของจริงมากองเลยจะมีแต่ความทุกข์ทรมานภายในจิตใจอยู่ตลอดไปพากันยึดหลักนี้เอาไว้การพยายาทำกนรู้สึกว่าหน่อยแล้วพอเป็นไงพระใหม่เข้าใจเบาที่เคอ่ะท่านโกรธหลืเข้าใจเบาขุดลงไป ให้กิเลสมันต้มตุนไปนานนั้งนาเลยแต่ทํเขาเอาทาเขาไปถลุงกิเลสมั้งเลยใ ห, ให้แต่ที่ให้แติเลสถลุงเราไงเราเป็นลูกศิษย์ตาคตเนี่ยทมันพูดไม่เคล่กัเป็นห่วงมู่เพื่อนมันมีเฉพาะความสงสารอันเดียวนี่มันแค่เพราะอะไรนะว่าเขาจะตายกับเก็บปรกกาไอ้รเ ร, รื่อง น, น้อาการเย็ น, น, น, น ก่นมาเทศนี้ก็รู้สึกว่าดีมาเทศแต่เทนไปมันก็ลืมละไอ้เรื่องเสเทศยังไงต้องไงมันไม่ได้สนใจอ่ะมันก็ออกของมันต่ตามเรื่องตามเพนขอมันหนักเบาเพลิดล่อนก็ไปของมันเต็มที่มันจะใช้กําลังช้กําลังลมม้ามันก็จะท้อนกลับจะท้อนกลับย่ําเรื่งย่ําเล่าย่ำไปย่ํามามันก็แสดงอผลขึ้นมาคือท่าก็หยุด ผมแบบหงหูว่าจะูได้เห็นทำอัศจรรย์นเนี่ยทำไมมันอัศจรรย์ตะกี้เด็กข้างหน้านะสามแดนโลกธาตุนี้มันตะกี้เด็กอัศจรรยทำไมเ่เป็นคู่แข่งเป็นอัศจรย์เป็นคู่แข่งที่เด่บ้างมีหรือนักปฏิบัติเราอัอเป็นคู่แข่งกันดิใครจะถึงแดยนยมุแล้วยังมาเสียดายที่เด็กหยุ่จะมีไหม พระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านกี่ล้านกี่ล้านพระองค์เขาแต่จะรู้อทอดกันมาเรื่อย ๆ, ๆมาจนกระทั่งวันนี้ตัง้งแต่กลับท์ไหนกันอะไรอะไรมีกี่ล้านล้านไม่รู้เนะี่ยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสาวกองค์ใดขึ้นจากกิเลสแล้วยังมากลับมาเาสียดายกิเลสได้อีกนอกจากเห็นโทษอย่างโลภะทวนอย่างที่ว่าเท่านั้นละเอียดกอ่อนมั่ง เกอดความรู้ความสามารถของเราธรรมดาธรรมดาจะรู้มันเลือดเดือดของมันได้นะนีอยู่คนเดียวมังคืนก็พอน่าประจระษษามปฏิกิริยาของนำมาแล้วงับขันกันแล้าาเพินินก็เพลินได้ก า, ารบิดกับทาปฏิบัติต่อกัน เวลาขันมันรงับตัวมันสังขารขันสัญญาขันจําขันวิญญาณขันถึงจะรับทราบอะไรก็ตามถ้าสังขารขันมสัญญาขันไม่ไปช่วงแล้วกระสินเราแล้วมันก็เหมือนไมีวิญญาณขันรับทราบเสียงอย่างนี้คือพอทราบมีภาพสัญญาขันสังขารขันมันจะปุงขึ้นมนกับสิงเรานี้กันทีกันทีหรือพอสัญญาสังขารขันระดับลงไปแล้ว มืม่มีอะไรนั้นคือร่างกายที่นั่งโดอยู่นั่นเรื้องว่างไปหมดบางทรั้งที่ร่างกายมันก็มีถ้าเราจะยักสิ่งมันมาก็มันก็มีแต่ธรรมชาติตอนั้นมันมีอํานาจมากกว่ามันเป็นเอาเป็นอากาศธาตุมันเป็นอวกาศเป็นหมดเลยเรื้องว่างไปหมดไม่มีอะไรงั้นจะพยินมัน ไม่เห็นว่าเป็นสัญญินมันเวิ้งวงไปตามๆกันหมดเพราะจิตเวิ้องว้างน่นเองไม่ใช่อะไรออนี่พลังจิตหน้าของจิตมันสำคัญมากไม่ว่าท่านไม่ให้ก่านว่าอัศจรจะให้กันว่าอะไระก็ไม่เหมือนอะไรไมาเทียบในสามแดนลกกับทานนี้เหมือนอะไรมันไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรนะถ้าจวจวนเหนือก็เหนือซะหมดเลย ถ้าเคยถ้าเราสมมติเราเคยอยู่ใต้อำ น, นาจของยุเรศที่เวลามันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเหนือไปหมดเลยนั่นคำว่าเหนือนี่เราพูดเทียบอันนี้ต่างหานนะผิดไม่ได้มีความสําคัญมันหมายว่าต้นเหนือ น, นั่นต้นเหนือ น, นี่นะอฮมเราธรรมชาติของจิตแค่ไม่ได้หมายอะไรตรงนั้นนะ่ะความหมาย ม, ามันก็เป็นสมมติออกมาออกมาที่ตารรับธรรมชาตินั้นมันดีมันเหมาะไม่ผิดปกติของธรรมชาตินัน้น ต่างชาติเอาไปปฏิบัติไม่คนของไม่แน่นอนนะอยู่ได้กันครูบาอาจารย์เห็นไม่ล่วงโรยไปล่วงโรยไปล้วนตั้งแต่ครูบาอาจารย์ออกน้ำผันน้ำผันน้ำน้ำอย่นงลมภูเขานี่ใครจะประเทศให้แม่นจาในสัจธรรมทั้งสี่เพื่อพระนิพพานเหมือนท่านอืมอเหมือนครูบาอาจารย์เหล่านี้นี่เป็นร่มโพล่มใสเป็นที่แน่ใจของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้เป็นอย่างดีในสมัยปัจจุบันแล้วนั้นองล่วงโรยไปเห็นไหมเอาที่แน่ใจที่ไหนได้อืม ท่นล่วงโรยทําไมใครจะร่วงโรยไม่ได้ผมล่วงโรยได้เหมือนกันเวลามันอยู่ด้วยกันก็ให้สาเตเป็นเม็ดเป็นหน่วยชิ้นใดที่เป็นกิเลสยาให้เขาเข้ามาคล้องอยาให้มานติดมาพันจนได้เลยสลดัดกลัวๆเลยเราจะเห็นว่าเราดีกว่าผู้หนึ่งผู้ใดอืความเห็นว่าดีกว่าผู้หนึ่งผู้ใดคือถืกกล่อมแล้วน่ะเราจะให้ดีกว่ากิเลสนี่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 ตังหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อตัวเองนี่แหละมันหนักทั่วถึงกับเกี่ยวข้องข ม, มูเพื่อนไปเองถ้าประมาทในตัวเองแล้วก็สะเทือนแขวางไปหมดนั่นแหละเรามาฝึกเราให้ดีอะไรจะดีให้ถือนั่นเป็นําคันแต่ความขี้เสียจขี้ข้านเป็นเรื่องของยิเงใหญ่ดโดยตรงร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของยิ่งใหญ่ยาวมาแขวางทำอันนี้ผมสอนหมูข่วนผมกับมดภูมิผมนะเมไม่มีภูมิรายยิ่งกว่านี้สนะอนมดภูมิเลยเพราะความเมตตาสงสารนั่น